ได้ปลูกป่ากันที่ภูหลงก็คงจะเป็นนัดสุดท้ายที่จะมาปลูกป่ากันเยอะๆแบบนี้ปกติก็นัดกันไปปลูกกันวันแม่12สิงหาเป็นการปิดท้ายแต่ปีนี้ก็ทำเร็วขึ้นหน่อยเรื่องการปลูกป่านี่มันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งมันไม่ได้แค่ฝึกเรื่องความอดทน หรือว่าฝึกความเพียรอย่างเดียวแต่ว่ายังฝึกเรื่องการอยู่กับปัจจุบันด้วยเพราะว่าต้นมานี่กว่าจะโตเป็นต้นใหญ่แล้วก็กลายเป็นป่าได้นี่มันใช้เวลานานเป็น1ิปีหรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดปลูกแล้วนี่วางใจไม่เป็นก็จะทำอย่างไม่มีความสุขหรือว่าทอซะก่อนเพราะว่าคนเราก็ชอบไป ไปหวังหวังผลข้างหน้าเวลาจะทําอะไรก็ชะเง้อมองไปที่ผลข้างหน้าว่าเมื่ อ, อไหรจะเสร็จถ้ามันเสร็จได้ไวๆก็มีกําลังใจที่จะทําถ้ามันเสร็จช้าก็ผ่านให้ไม่อยากทำมันไม่ใช่งานปลูกป่ายอย่างเดียวงานอื่นก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เคยได้ฝึกการอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่อาศัย ผลงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่มาเป็นตัวตัวดึงไปและยิ่งงานไหนมันให้ผลช้านะก็ทําให้ไม่มีความกระตือรือร้นแล้วก็ทําไปกระทอไปคนมีความทุกข์กับการทํางานก็เพราะว่าใจมันไปรออยู่ที่ผลข้างหน้าแล้วแต่ว่าถ้าเราฝึกที่จะเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันปลูกแต่ละต้นแต่ละต้นก็ให้แต่ละต้นเขา อยู่ได้ด้วยดีมันจะกี่พันกี่หมื่นต้นก็ตามเราก็จะดูแลเฉพาะต้นที่อยู่ข้างหน้าเราให้ดีทำให้ดีแล้วอีกที่เหลือเราก็ค่อยขยับไปแต่ถ้าเกิดเราไปมองว่าอุ๊อีกต้องเป็นหลายร้อยหลายพันหรือเป็นหมื่นต้นเนี้ยไอ้ต้นที่เราทำอยู่มันแทาจะไม่มีความหมายเลยเพราะว่ามันเป็นแค่หนึ่งในพันหนึ่งในหมื่น ก็ทำให้เราไม่มีความสุขแต่แต่นับนับต้นหรือนับเวลานับวันคนในนี้เวลาทำงานก็นับวันเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จทำงานวันแรกก็นับแล้วเมื่อไรจะถึงวันเงินเดือนออก29 2 8 2 7 2 6นับกันไปเรื่อยๆทำอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่า เวลามันยังอยู่ไกลยิ่งเรื่องการปลูกป่ามันมันไม่ใช่แค่หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีบางทีมันสิบปีก็ไม่รู้จะเห็นผลหรือเปล่าแล้วยิ่งต้นไม้นี้มันไม่ใช่เป็นต้นไม้ของเราไม่ใช่ป่าของเราเรามาเพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวก็ยิ่งไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเพราะาคนเราตัวนี้จะทำอะไรก็ต้องอาศัยความยึดติดว่าเป็น ตัวกูของกูอันไหนที่ไม่ใช่เป็นที่ของกูเป็นบ้านของกูก็ไม่เคยสนใจต้องให้เป็นที่ของกูบ้านของกูเนี่ยอา้าวราถึงจะกระตือรือร้นหรือว่าป่าของกูเนียทุกวันนี้เราก็ทำางันโดยอาสัยตันหานี่เป็นแรงผลักคือต้องมีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูขึ้นมาก่อนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการฝึกนะเพราะว่าที่มาปลูกนี่ก็ไม่รู้ว่า ตัวเองจะได้ใช้หรือเปล่าตัวเองจะได้ประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็ไปปลูกไปที่ของใครก็ไม่รู้ที่จริงก็คือส่วนรวมนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เคยคิดถึงเรื่องส่วนรวมมากเท่ากับเรื่องของตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่การปลูกป่านีจริงมันก็เหมือนการเดินทางนะเดินทางไกลาบางทีเดินทางมันเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันกิโลยิ่งเดินด้วยเท้าด้วยเนี่ยโอ้มัน กว่าจะคืบกว่าจะเคลื่อนนี่มันช้าพะคนเราเดียวนี้เวลาเดินทางก็เฝ้าแต่คิดว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึ ง, ถงก็เลยไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าไอ้ข้างๆนี่มีอะไรบ้างอย่างมีเพื่อนเขาก็ไลฟ์ฟังว่าเขาเดินขึ้นดอยอินทนนท์แล้วคนนี้ก็น่าสนใจเขาเดินจากเชียงใหม่เดินจากเชียงใหม่ลงไปสมุยเดินด้วยเท้าไม่มีเงินสักแดงเรียกว่าไปตายอดหน้า เป็นอาจารย์หมหาอุทยาลัยลาออกจากการเป็นอาจารย์ต้องการใช้ชีวิตแบบอิสระเมื่อลาออกแล้วก็เดินจากเชียงใหม่ไปที่กลับไปบ้านเกิดจาลิกแบบคนอินเดียสมัยก่อนมีแค่กรดนะไม่มีเงินในกระเป๋าแม้แต่สลึงเดียวแล้วก็มีกติกาว่าจะไม่ขอข้าวใครด้วย ถ้าเขาให้ก็ดีถ้าเขาไม่ให้ก็เรื่องนี้วงว่า ง, างจะไล่ฟังเพราะว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเขาก็เล่าไอตอนนึ่งว่าเขาขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์จริงๆมันก็เป็นนอกเส้นทางแต่ว่าเขาอยากจะไปถึงต้นน้ําำตอนที่ขึ้นเนี่ยมันก็ใจนี่ก็เฝ้าแต่เป้าหมายว่าเมื่ อ, อไหรจะถึงแล้วเมื่อถึงแล้วก็เหนื่อย เสร็จแล้วก็ลงตอนลงนี่ก็สังเกตว่าโอทิวทัศสองข้างทางสวยงามมากแล้วเขาก็ได้คิดว่าไอ้ตอนขึ้นเนี่ยทำไมไม่สังเกตสองข้างทางเพราะใจมันคิดแต่ว่าจะถึงใจมันไปอยู่ที่บนยอดแล้วเมื่อยังไม่ถึงยอดก็ทุกข์และความสุขที่จะได้จากการพิจารณาทัศนียภาพสองข้างทางก็ไม่ไม่มีโอกาสเรียกว่าทุกสองสถานทุกเพราะยังไม่ถึง แล้วก็ทุกที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสของดีในปัจจุบันเข้ามาสังเกตก็ตอนลงนี่แหละเพราะตอนลงนี่มันไม่มีเป้าหมายแนละ้วแล้วก็ไม่ได้ไปเล่งว่าเมื่อไหร่จะถึงข้างล่างก็เลยพบคติอย่างนี้ว่าคนเรานี่บางทีขาลงมันดีกว่าขาขึ้น น, ะ น, นี้หมายถึชีวิตชีวิตขาลงนี่มันดีคนไม่ค่อยชอบชีวิตขาลงคนชอบชีวิตขาขึ้นแต่ว่าไอ้ขาขึ้นน่นแหละที่มันทาให้เรา ไม่ค่อยมีความสุขเพราะเรามองไปข้างหน้าอย่างเดียวมองไปข้างหน้าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงเกติยศตำแหน่งที่จะไปให้ถึงแต่ว่าไอ้ความสุขที่จะได้ในปัจจุบันขณะในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่รู้จักเก็บเกี่ย ว, วก็ทำด้วยความทุกข์ทะเลาะ ก, กับคนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวสุขภาพแย่ยเพราะว่า ต้องเร่งเอาให้ถึงข้างหน้าจะนั้นที่มันก็ไปถึงได้โดยที่มีเวลาได้พักผ่อนมีเวลาได้ออกกำลังกายมีเวลาได้ดูแลสุขภาพมีเวลากับครอบครัวมีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้ทมเพราะว่าใจมันไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็กิดเขียน่นกระหือเรือจะไปให้ถึงสักทีอันนี้ก็เหมือนกับนักปฏิบัติธรรมกันนะพอเรามีความ มีเป้าหมายว่าจะให้ได้บรรลุคุณวิเศษหรือบรรลุธรรมอะไรสักอย่างเนี่ยใจมันก็ไปจ่ออยู่งนานแล้วทําแต่ละขณะแต่ละขณะขแต่ละวินาทีก็ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ความเครียดขณะที่ถ้าอยู่กับปัจจุบันสร้างจังหวะเดินจนกรมตามลมหายใจถ้าวางใจให้เป็ น, นเออมันสบายทุกวินาทีเลยเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันมันเบาอยู่แล้วมันเบาโปร่งโลง่ง แล้วยิ่งปฏิบัติด้วยเหมือนกับว่าทําเล่นๆทําด้วยใจสบายจะรู้สึกเลยว่าเออมันเราได้รับสัมผัสความสุขทุกขณะของการปฏิบตัติความปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องฝืนหรือว่าทรมานอะไรเลยแต่ที่มันทรมานเพราะไปสนใจแต่ข้างหน้าการเดินทางก็เป็นการพอไปสนใจแต่ข้างหน้าแล้วรอบๆตัวเนี่ยสวยงามยังไงผู้คนเขาหน้าเขาหน้ารักยังไงบ้างไม่เห็นแล้ว ฉันจะเดินตะพื้นไปอย่างเดียวยชีวิตของคนขาขึ้นก็นเหมือนกันเป็นอย่างนั้นแต่พอชีวิตขาลงเลยเออเอมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วสบายใจพอใจนี่มัน่หมายถึงคนที่พอใจนะถ้าคนที่ไม่พอใจมันก็พยายามจะขึ้นเรื่อยไปแต่คนที่พอใจเขาก็ยอมรับแล้วก็กลงตอนลงนี่แหละโอ้โอก็ถึงได้พบว่าโอ้ชีวิตนี้มันมีความสุขให้เราได้เก็บเกี่ยวอยู่ทุกขณะปัจจุบันขณะ ซึ่งเราไม่ได้เห็นไม่ได้มองอันนี้เพื่อนคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะเขาก็ชื่นชมกับชีวิคราลงมมาเพราะตอนนี้เขาก็อายุห้าสิบกว่าแล้วเขาก็กําลังลงแต่เขาไม่รู้สึกว่าามีความทุกข์เลยเขารู้สึกว่าเออในชีวิคราลงมนี่มันดียวขาขึ้นเยอะได้ได้บทเรียนในการเดินทางเนี่ยหลวงพ่อกําเขียนก็จะพูดอยู่เสมอว่ามันถึงต่อเมื่อมันถึงถึงต่อเมื่อมันถึง อย่าไปสนใจมันเลยว่าเมื่อไรจะถึงถึงแล้วก็รู้เองอะ่ะนันช่างก็บอกว่าถึงต่อเมื่อมันถึงทีจริงเนี่ยต้องเรียกว่าถึงทุกขณะอยู่แล้วเมื่อกับเวลาเราก่อสร้างเนี่ยมันก็เสร็จทุกวันอยู่แล้วคนไปสนโมกก็ไปถามอาจารย์พุทธทาสว่าไอ้ตึกอาคารต่างๆนี่เมื่อไหรจะเสร็จสักทีพอมาปีแล้วปีเล้วก็ยังขยืดขยับไม่เท่าไหร่เพราะว่าที่นั่ง ก็ไม่ได้เล่งสร้างอะไรนะสร้างต่างกำลังแล้วก็อาศัยแรงพระเป็นส่วนใหญ่อย่างที่บอกวันโกนีในวันวิปัสสนากรรมกรพระนี่ต้องมาเป็นกรรมกรถือว่ามาบำเพ็ญวิปัสสนา ก, กันในวันโกนงานก็ไปได้ช้าก็คนมาเท้าเมื่อไหร่จะเสร็จแล้ทีอาคารพวกเนี้ญาติพุทธก็บอกว่ามันเสร็จทุกวันแหละเสร็จทุกวั น, เ, เ, วนเหมือนกับการรักษาปาเนี่มันก็เสร็จทุกวันนะ จริงๆมันเสร็จทุกวินาทีอยู่แล้วมันเสร็จทุกต้นที่เราปลูกการเดินทางก็เหมือนกันมันถึงทุกขณะที่ย่างก้าวเวลาเดินทางที่ต้องเราลึกไว้ว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเทา้านะจุดหมายอยู่ข้างหน้านี่เดินแล้ทุกข์มากเลยแต่ถ้าจุดหมา ย, ยที่ปลายเทา้านี่มันถึงทุกข้าวนะถึงทุกข้าวถึงทุกข้าวอันนี้แหละคือศิลปะการเดินทางไกลยอย่างไม่มีความทุกข์ ทํางานมันก็เสร็จทุกขณะทุกขณะเสร็จทุกวันเสร็จทุกชั่วโมงเสร็จทุกนาทีก็ได้นั้นถ้าเราทําใจงี้นี่ใจเราจะสบายจะเบาจะไม่เครียดยิ่งงานที่มันให้ผลช้าให้ผลนานนะฝึกแบบนี้ยิ่งดีมันยิ่งไม่ไม่กลัวงานไม่กลัวงานหนักไม่กลัวงานยากไม่กลัวงานใหญ่ ทำทุกวันให้ดีทำทุกชั่วโมงให้ดีแล้วก็ย่อลงมาถึงทำทุกนาทีให้ดีทำทุกวินาทีให้ดีให้ดีด้วยใจที่ไม่ได้เคร่งเครียดไม่ได้หมายมันจะให้เสร็จให้ให้งานมันเสร็จนะบางทีทำให้ดีนี่ไปไปเข้าใจ้าหมายถึงต้องหน้าดำขําเครียดให้มันให้มันดีให้ได้เพราะถ้าไม่ดีถ้าผลไม่ดีแล้วเดี๋ยวถูกว่าถูกด่านั่นแน่ใจไปอยู่ข้างหน้าแล้วไปอยู่ที่ผลแล้ะไปอยู่ที่ว่าคนเขาจะชมหรือสารเสริญเรา ตัดออกไปเลยนะอยู่กับปัจจุบันอยู่ทุกนาทีทุกวินาทีปลูกต้นไม้แต่ละต้นปลูกให้ดีที่สุดในแต่ละต้นเสร็จแล้วก็ค่อยไปหาอีกต้นหนึ่งไม่ต้องสนใจว่าต้นนั้นไม่ต้องสนใจมันยังมีอีกกี่พันกี่หมื่นต้นที่รอเราอยู่หรือว่ามันยังมีอีกกี่วันอีกกี่ร้อยอีกกี่พันวันที่จะปรากฏผลในใจที่เบาสบายเพนนี้แล้วมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็น การผ่อนคลายไปในตัวก็ว่าได้เพื่อนของอาตมานี่เป็นพระเซนชาวอเมริกันเขาก็เล่าถึงอาจารย์ของอาจารย์นะเป็นชาย ญ, ญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนที่มามาสร้างวัดเซนในอเมริกาเป็นวัดแรกของทวีปนั้นนะตอนนั้นก็ตอนที่มาสร้างก็อายุ่60กว่าแล้วคนญี่ปุ่นก็ตัวเล็กเวลามาสร้างวัดเซนนีโอต้องขนหินขนอะไรกัน อาจารย์ก็ต้องลงมือทําเองลูกศิษย์ก็เป็นชาวอเมริกันเป็นวัยรุ่นฮิปปี้ก็มาช่วยแล้วพวกนี้ทําก็ทําได้ครึ่งวันขนหินก็เหนื่อยแล้วแต่อาจารย์นี่ทําได้ทั้งวันลูกศิษย์อเมริกันก็เลยถามว่าอาจารย์ทําได้ยังไงอาจารย์ก็บอกก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ปิิศนารำหรือเปล่านะเพราะคนก็เห็นอาจารย์ทําตลอดเวลาก็ที่ทํามันทําแต่กายแต่ใจนี่พัก คนส่วนใหญ่นี่กายไม่ได้แบกขินอย่างเดียวใจมันแบกหินไปด้วยใจมันแบกขินนู้นก็เหนื่อยเลยนัหนักแต่ของอาจารย์นี่ใจไม่ได้แบกไม่ได้เล็ง่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จทําไปเรื่อยๆทําแต่ละก้อนก็ทําให้มันดีก็กลายเป็นว่าทําทั้งวันแต่เหมือนกับเป็นการพักผ่อนผมพักผ่อนตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์บอกนี่วันอาจารย์พุท่าก็เหมือนกันอาจารย์พูดท่าบาทีก็บอกว่าผมวันทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลย ท่านเขียนกรอนน้อยว่าวันทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็เห็นทําทั้งวันเนี่ยท่านอาจจะบอกอาจจะบอกว่าก็ยกผลงานให้เป็นของความว่างไปยกผลงานให้เป็นของความว่างไม่ได้มีความรู้สึกว่างานนี้เป็นของกูไม่คุณความรู้สนี่เป็นกูทํามันเป็นเช่นนั้นเองนให้ความว่างยกผลงานให้ความว่างก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยเนะย ความว่างทำต่างหากตฐตาของแบบนี้มันมันเรียนรู้ได้ก็จากการลงมือทำนะและบางทีเราไม่ได้เรียนรู้อย่างนี้จากการสร้างจังหวะเดินจังกลมมันต้องเรียนรู้จากการเข้าไปเข้าไปเข้าไปพันตูกับงานทีแรกนี่มันต้องไปพันตูกันแต่ตอนหลังมันกลายเปน็นอันหนึ่งันเดียวกันเนี่ยที่พูดกันเมื่อเช้าในเรื่อง อาจารย์ให้ลูกศิษย์ไปถ่าฟปืนหาบน้ํานี่ยเพราะอย่างนี้มาเป็นการฝึกซึ่งบางเรื่องเนี่ยไอการเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือการนั่งสมาธิมันมันอาจจะไม่สอนหรืออาจจะไม่ไม่กระตุ้นให้เราได้เห็นเท่าไหร่แต่ถ้ามองจริงๆก็เห็นนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเป้าหมายที่มักจะทําให้เราทุกผลสําเร็จที่ทําให้เราทุก้ เ, เ, กเวลาทํานี่ต้องไม่สนใจผลหรือไม่กลัวที่จะไม่ถึง ไม่กลัวที่จะไม่บรรลุนะต้องไปถึงขั้นนั้นเลยถ้ากลัวว่าจะไม่บรรลุนี่โหทรมานการปฏิบัติปุบาจารันท่านก็บอกว่าเนี่ยปฏิบัตินี่ต้องมีหลักอย่างนั้นคือไม่กลัวว่าจะไม่บรรลุว่ากลัวแล้วนี่มันก็จะเล้งทำแล้วก็เครียดบรรลุเมื่อไหรก็ก็รู้เมื่อนั้นแหละอันนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยมันลองเรียนนะลองเรียนลองศึกษาจากการทํางานดู โดยพราะงานซึ่งมันให้ผลช้ากว่าจะให้ผลนี่นานและโดยพ้อะงานบางอย่างซึ่งมันมีโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าสำเร็จอันนี้ยิ่งท้าทายยิ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติธรรมใหญ่เพราะว่าคนเราเนี่ยพอ ง, งานอะไรที่มันจะไม่สําเร็จเนี่ยก็ไม่อยากทำเพราะอะไรเพราะไม่อยากได้ชื่อเป็นผู้แพ้ผู้ล้มเหลวอันนี้แหละเป็นเรื่องของอัตตาตัวกูเป็นเรื่องของมานะ เพราะคนเรามันนานะเนี่ยมันคือกิเลสอย่างหนึ่งที่มันต้องการมีผู้ชนะในความสึกตัวกูของกูนี่มันเข้ามาครองใจเราแล้วก็เลยจะทำงานแต่เฉพาะที่มันสำเร็จหรือว่าชนะไองานไหนที่มันไม่สำเร็จหรือไม่ชนะฉันไม่ทำโดยที่ไม่ได้ถามด้วยไองานนั้นมันดีหรือไม่ดีถ้างานมันดีงานมันถูกต้องเนี่ยมันต้องทำอันนี้คือหลักธรรมาทิฏไต ธรรมาธิปไตยคือจะทําอะไรก็เพราะว่ามันถูกต้องเพราะมันดีเพราะมันเป็นธรรมะเอาธรรมะเป็นใหญ่แต่คนที่ทําหรือไม่ทําเพราะว่ากลัวล้มเหลวหรือไม่แน่ใจว่าจะสําเร็จหรือไม่ถ้าไม่สําเร็จก็ไม่ทําอันนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยคือปารัตนเป็นใหญ่ปารัตนเป็นใหญ่คือเอาเอาอัตตาเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยไม่ได้หมายถึงการปกครองนะอัตตาธิปไตยธรรมอาธิปไตยเนี่ยมันหมายถึงเราเอาอะไรเป็นใหญ่ในการตัดสินใจตัดสินใจไม่ทํางานเช่นนี้เพราะ ทำแล้วแพ้ทำแล้วล้มเหลวอันนี้แหละอัตตาแหละเป็นตัวตัดสินอัตตาเป็นตัวสั่งถ้างานไหนสำเร็จชนะทำก็มีคนเคยถามลสนานะลสนานี่ก็าเป็นคนที่เคลื่อนไหวให้กอฟอรฟผเนี่ยยุติการแปลรูป ก, กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่ซึ่งตอนที่เขาเคลื่อนไหวนี่ ไม่มีใครคิดว่าสําเร็จเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองแม้แต่ทนายความก็ยังไม่อยากจะทําเลยเพราะไม่อยากได้ชื่อว่าทําแล้วแพ้เพราะว่าคดีของเขานีทำแล้วชนะทั้งนั้นหลายคนก็บอกอจะทําทเลยทําแล้วแพ้ลักษณะก็เลยถามว่าแล้วคุณจะทําเฉพาะไอ้งานที่มันชนะเอ่ยคนเราถ้าทําแต่งานที่มันชนะนี่มันก็ไม่เขาท่าแล้วบางทีเราต้องทําำัาง้งที่เรารู้ว่าอาจจะแพ้ แต่พะมันถูกต้องเพราะมันเป็นธรรมอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะซึ่งเราเรียนได้จากชีวิตจากการงานและธรรมมาธิปไตยเนี่ยมันสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาต้องยึดมั่นให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเผลอกันไปอัตาตาธิปไตยเอาความถูกใจเป็นใหญ่เอาว่าฉันได้อะไรฉันชนะหรือเปล่าหรือไม่ก็โลกอธิปไตยก็คือว่าเอาความมีของผู้คนเป็นใหญ่ โลกานี้มายถึงผู้คนคือทำอะไรก็เพราะเป็นแฟชั่นหรือจะไม่ทำอะไรเพราะกลัวถูกเขาด่าแม้อะไรบางอย่างงานบางอย่างที่ทำแล้วคนเขาจะต่อว่าคนเขาจะไม่เห็นด้วยคนเขาก็จะประนามแต่มันถูกต้องก็ต้องทำอันนี้แหละคือธรรมาทิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกจากงานจากการถือว่างานที่มัน ทำแล้วมันจะไม่สำเร็จหรือโอกาสจะสาเร็จมีน้อยอันนี้แหละคือฝึกฝึกปฏิบัติทำอย่างดีเลยเพราะกิเลสมันจะไม่สู้กิเลสมันจะไม่เอาแต่ว่าตัวธรรมะเนี่ยต้องสู้อย่างปลูกป่านี่เราก็ไม่รู้ว่าปลูกไปมันจะรอดสักกี่ต้นจะถูกไฟเผาสักกี่เปอร์เซนต์ก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกมันเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้ทำเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าฉันต้องชนะหรือว่าฉันต้องเห็นผลหรือว่าฉันต้องได้เสวยผลเราจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่หไหมแต่ว่าทําแล้วมันดีก็ทำไปเถอยังไงก็คนน่ก็ได้ประโยชน์วันยังค่าและยิ่งได้ผลชา้ายังต้องทําก็ได้ยกตัวอย่างให้กับพวกที่ปลูกป่าเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งกับหมอมราชวงครุฑลิตปราโมทเรื่องนี้ก็ ส0มสปีแล้วสมัยที่โซนในสัศงกรันองค์นั้นยังคลองวัดบวรนิเวศองค์นี้ก็เป็นประชาของในหลวงองค์งปัจจุบันในหลวงปัจจุบันก็บวชไป40ปีที่แล้วเรื่องนี้ก็เกิดใกล้ใกกันหมือนเราชวนคือดิปราโมดก็ไปไปเยี่ยมโซนในปัศงกรานองนี้ที่ตําหนักก็เห็นต้นไม้ต้นเล็กๆต้นอยู่ในกระป๋องนมอยู่หน้าตําหนักก็เลยถามสโซนในปังกรันว่าต้นอะไร เขาสั่งลา บ, บอกว่าต้นพยอมว่าเจ้าว่าที่หัวหินให้มาท่านมึงกลับจากหัยหินก็เลยเอาต้นเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าตําหนักพระมกก็เลยถามว่าต้นอะไรได้คําตอบว่าต้นพยอมต้นพยมพอรู้เป็นต้นพยอมหมอมาชนฤทก็ร้องโอ้โหทําไมอะโอ้โหทําไมก็ต้นพยอมนี่กว่ามันจะโตแล้วมันจะออกดอกนี่ให้เราได้ชื่นชมนี่ก็ห้าสิปีชนะ แล้วสมเด็จ น, นี่ก็ชลาขนาดนี้แล้วจะได้มีโอกาสเทสเลยคุณประสังราภก็ถามว่ามันอย่างนั้นเชียวหรือหมเลือดกฤก็บอกว่าใช่ห้าสิปีเชียวพอหมรอราชชนกฤษยืนยันอย่างนั้นคุณประสังลาภก็รีบตะโกนเรียกไวัยวัจกรมาทันทีเลยใช่ว่าร้องเสียงลั่นเลยบอกให้รีบไปปลูกเดี๋ยวนี้เลยต้นนี้รีบไปปลูกเดี๋ยวนี้เลย อย่าให้ช้าอย่าเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวและท่านก็ลงท้ายว่าอย่าให้ลูกจากความประมาทคือคนธรรมดาเนี่ยอะไรที่มันให้ผลช้านี่ก็รอ ก, ก่อนหรือไม่ก็ทิ้งไปเลยลืมไปเลยแต่ ส, สุนทรสังฑ์เรานี้เนี่ยอะไรที่มันให้ผลช้านี่ต้องรีบทำก่อนเลยเพราะมันจะทำให้อย่างน้อยก็ช้าลงอย่างน้อยก็จะทาให้มันได้เห็นผลเร็วขึ้นอีกหน่อยนั่นใช้ว่าไม่ประมาทอย่าให้ลูกกความ ย้ายลูกจากความประมาทคือชาวพุทธเนี่ยความประมาทนี่ก็ถึงหมายถึงวันนี้ก็คืออะไรที่มันให้ผลชาติแต่มันดีก็ต้องรีบทําก่อนคนธรรมดาก็เก็บเอาไว้ทีหลังความประมาทคือการผัดเพี้ยนนะผัดเพี้ยนผัดผ่อนนะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะให้เราได้ลองปฏิบัติทำกับงานกับการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเดิน การเดินทางไกลอย่างธรรมญาติตราที่เราจัดเดินทุกปีนี่ก็ฝึกปฏิบัติธรรมคนก็บอกโอ้ยเดินไปทําไมทุกปีสิ่งวัลล้อมเห็นดีขึ้นเลยอันนั้นก็ก็ยังเถียงกันได้ว่าถ้าเดินไปสักยี่สปีถ้าสิ่งวัลล้อมไม่ดีขึ้นค่อยว่ากันแต่ว่าทุกวันทุกขณะ ท, ที่เดินเนี่ยมันได้อยู่แล้วมันได้ฝึกการปฏิบัติมากเลยใครที่ไม่เดินก็ไม่รู้เนี่ยแต่ที่เดินนี่ก็จะติดใจก็จะมากันนะเพราะว่ามันได้ฝึกจริงๆ แล้วก็ได้รับได้เรียนรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เรียนรู้จากการทำงานต่างๆทั่วไป